บัรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปไป แ, แสดงมาตามนัยะแห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามมาลึกถึงธรรมะหรือดูธรรมะที่ทรงจาแนกไว้ในที่ต่างๆ โดยทรงใช้คําว่าเห็นธรรมในธรรมธรรมะแต่ละกลุ่มนั้นมีหลักการในการปฏิบัติแตกต่างกันแต่ว่ามีผลคือเป้าหมายเป็นอย่างเดียวกันคือการจางไปคลายไปสงบไปดับไปแห่งกิเลสและการเพิ่มพูนขึ้นในกุศลและธรรมทั้งหลายในส่วนของกุศลและธรรมที่เป็นเหตุ จึงเราใช้คำว่าไตรศิขาบัาง้งใช้คำว่าอริยมรรคบัง้งเป็นการแสดงเหตุเพื่อเกิดผลในการบรรเทากิเลสในการบรรเทาความทุกข์เสริมสร้างความสุขแก่ผู้ปฏิบัตินั่นอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ามีลักษณะเหมือนการรับประทานอาหารในการรับประทานอาหารบางครั้งเราก็พูดหลายประโยค เช่นเรามีมากินข้าวกันก่อนประเดี๋ยวจะหิวไม่มีแรงมีแสดงเห็นว่าถ้าไม่ได้รับประทานอาหารแล้วจะหิวและจะไม่มีแรงแต่บางครั้งก็อาจจะพูดว่ามารับประทานอาหารกันก่อนจะหายหิวจะได้มีแรงในการทํางานเป็นการแสดงผลแสดงเหตุที่ต่อเนื่องถึงกัน ในทางปฏิบัตินั้นไม่มีความจำเป็นจะพูดอย่างนั้นก็ได้พูดคาว่ามารับประทานอาหารอย่างเดียวก็ได้แล้วเมื่อก็ะรับประทานไปความหิวก็ค่อยค่อยหายไปความอิ่มก็ค่อยคอยเกิดขึ้นเรี่ยแรงก็จะเพิ่มขึ้นเราสามารถทำกิจการงานได้นี่คือลักษณะของความต่อเนื่องแห่งธรรมะในระดับเหตุผลที่ทยอยกันไปเรื่อ ย, อยตั้งตเหตุเริ่มต้นที่ดี ผลก็จะดีเรื่อยไปดังนั้นจึงทรงแสดงในกลุ่มของธรรมะที่เรียกว่าพเวตรประธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามลำดับแห่งเหตุที่ได้ประกอบกระทำลงไปทำนองเดียวกัน ร, รับประทานอาหารการปลูกต้นไมก้การหาบน้าหรือการรับประทานยาเป็นต้นนั่นเอง บางครั้งจะทรงแสดงเหตุล้วนๆเช่นทรงแสดงไว้ถึงปรารภช้างเชือกหนึ่งของพระเจ้าประเสนทิ่กสลแต่ตกลงไปในหลุมไม่มีใครสามารถที่จะดึงช้างขึ้นมาได้แต่มีคนไปกราบทูลพระราชาพระราชากรับสั่งให้ไปสอบถามปรุชิตปรุหิตก็แนะให้ มีกลองศึกขึ้นมาช้างนึกว่ามีค่าสึกบุกมาประชิดพระนคขเพราะเป็นช้างศึกจึงช่วยตัวเองขึ้นไปจากสระได้โดยไม่ต้องอาศัยการดึงการช่วยเหลือของบุคคลอื่นผู้พิสูจ์ทั้งหลายมองเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ช้างเชือกใหญ่ตกไปในสระคนป็นจำนวนร้อยๆดึงขึ้นมาไม่ได้ แต่พอได้ยินกรองศึกแต่นั้นเองขึ้นมาได้ด้วยลำพังตนเองพระผู้มีพระพราภาคเจ้าได้ทรงอาศัยในยะของช้างเป็นอุปกรณ์ในการสอนผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมโดยอาศัยการช่วยตัวเองตามหลักที่เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยต น, นตร ว, วสอบตนด้วยตนลกตัิ น, น, นตนด้วยตน แล้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปตามเหมาะตามควรเพราะในแง่ของความจริงแล้วคนเราแต่และคนนั้นก็ตกอยู่ในหลมเหมือนกันลมไปนั้นมากที่เมื่อเราตกไปแล้วต้องให้คนอื่นก็ช่วยเหลือดึงขึ้นมาหลมโดยธรรมชาติมีบางหลมที่เราตกไปคนอื่นก็ต้องช่วยเพราขึ้นมาโดยลําพังตัวเองไม่ได้แต่บางครั้งเราก็ช่วยตัวเองขึ้นมาได้ เราไม่ต้องเดือดร้อนตั้งคนอื่นเพราะในชีวิตของคนเราแต่ละคนจะมีลมบ่ออยู่บังต่างๆเป็นนันนมากบางครั้งก็กลายเป็นลุมบางกลายก็กลายเป็นสะเป็นเขียวก็แล้วแต่จะไปประสบในกรณีดังนั้นแในกรณีที่ตกลงไปลึกมากก็ต้องอาศัยคนอื่นก็ช่วยแต่บางครั้งไม่ลึกเท่าไหร่ถ้ามีความพร้อมที่จะช่วยตัวเอง ก็ขึ้นมาได้แต่บางครั้งแม่จะลุมหรือบ่อนั้นจะไม่ลึกก็ตามแต่ถ้าคนไม่พยายามช่วยตัวเองมันก็ขึ้นมาไม่ได้เดียวในที่นี้ทรงเน้นไปที่หลมุมอันเกี่ยวเกาะจิตของบุคคลอยู่ได้แก่อะไรคือกาบขุนหมายถึงอาการของจิตที่มีความปัวพันเลื่อยใหญ่ผูกพันสยบติดเพลเพลินกับหนักจิตดี อยู่ในกาลมาคุณทั้งหลายเป็นและจิตของบุคคลสายไปสู่อารมณ์หลดนั้นมีการกําหนดมีการไ่อยควา้ามีการปรารถนามีการกรสัญอยากเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่ดนั้นโดยอาศัยเริ่มต้นจากการกําหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นปรากฏอยู่ในที่นั้นก็มีการกําหนักเพลิดเพลินอย่างดี ไม่ปรากฏอยู่ในที่นั้นก็ฝ่ายขวัญ ก, ก็สัญญาที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นที่จะครอบครองเมื่อได้เมื่อมีเมื่อเป็นเมื่อเข้าครอบครองก็จะกําหนัดยึดจิตอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นต้องเสื่อมไปหายไปหรือผิบัติไปด้วยเหตุใดก็ตามความโศกเศร้า ก, ก็เกิดขึ้นรุ่งรุ่มใจแต่กบุคคลเราก็หมุนบนอยู่ในลักษณะนี้ เป็นการเน้นที่จุดตรงนี้เท่านั้นทําไมจึงเน้นที่จุดตรงนี้เพราะว่าทรงเทศในครั้งนั้นเป็นการเทศกับพระแต่แท้จริงแล้วบุคคลจะพบว่าไอ้ลมบอทั้งหลายนั้นไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้แม้เพียงเริ่มต้นจากอะไรคือกามคุณเราจะพบว่าพร้อมจะเพิ่มกิเลสส่วนอื่นขึ้นมาได้ ทีเรเริ่มต้นที่อะไรคือการมคุณโดยการกําหนดหมายในวัตถุในบุคคลในสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งว่าน่าคลาย่ยน่าปรารถนาน้าพอใจแล้ว เ, เกิดความอยากในอารมณ์เหล่านั้นคือต้องการจะได้ตีต่างว่ารูปนั้นปรากฏในที่นั้นแต่พอดีเกิดมีคนอีกหลายคนคนอื่นก็อยากได้ด้วยเราก็อยากได้ด้วยเมื่อเกิดอยากได้กันสองคนขึ้นไป จะขอมีอยู่จํานวนจํากัดหรือแม้จะไม่จํากัดก็ตามถ้าขาดการประณีประนอมกันก็จะมีการยืดแย่งมีการถกเถียงมีการวิวาทมีการต่อสู้กันบางครั้งกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจรุนแรงต่อเนื่องแล้วเพิ่มปูนขึ้นความรุนแรงก็เพิ่มขึ้นโดยสายความโลภเป็นเหตุนั้นเองที่ก็สร้างเป็นความโกรธขึ้นมานที้ก็จะมีการปราดประหารกัน พอเกิดการประหาระหารกันไปแล้วแสดงเห็นว่าเบื้องหลังจริงๆนั้นมีโมหะคือความหลงรุ่มรุ่งใจอยู่มากคนตายก็ตายไปไม่ได้อะไรคนที่ฆ่าคนอื่นก็ต้องติดคุกไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนั้นแสดงเห็นว่าอาศัยความโลภเป็นเหตุเนี่ยก็เพิ่มความโกรธความหลงขึ้นมาแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วการที่จิตโลภ ก, ก็เพราะจิตมันหลงด้วย การที่จิตโกรธก็พระจิตลงด้วยกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งจะเพิ่มส่วนอื่นก็จะเพิ่มตามไปดัง น, นั้นยังทรงแสดงว่าอคติลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือกิเลสทั้งหลายหรือความชั่วทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธเป็นต้นที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วอคติสุลธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นพร้วก็ทรงสอนให้หลับ เพราะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อบุคลคลหมกมุ่นสยบติดอยู่นานจะมีลักษณะเฉพาะอุปมาในที่นี้ก็คือเป็นลมที่จะถอนตนขึ้นมาได้โดยยากไ ม, ไม่ว่าลมของความรักหรือลงของความอาฆาตพยยบาตหรือลมของความรุ่มหลงหววเหมาก็ตามลองสังเกตความอาฆาตพยยบาตบางครั้งมาข้ามบคข้ามชาต แล้วแก้ไม่หายอย่างในกรณีเรื่องราวของพระเทวทัตที่ท่านได้แสดงไว้ในพระคัมภีรเมื่การจองล้างจองผ่านพระพุทธเจา้าโดยวิธีการต่างๆคือโดยทั่วไปแล้วเรามักจะมองว่าทุกๆชาติที่จริงไม่จะถึงกับทุกๆกชาติแต่พอดีคนไทยได้อ่านเรื่องทศชาติอยู่มากในทศชาตินั้นปรากฏว่าพระเจ้าได้พบกเทวทัตทุกชาติในเราก็นึกว่าทุกชาติที่จริงแล้วในชาดก 550เรื่องนั้นเทวทัตพบกับพระพุทธเจ้าในสังสารวัฏเฉพาะในชาตกก็มีอยู่เพียง58ครั้งเท่านั้นเองแต่ใน58ครั้งนั้นเทวทัตจะเบียดเบียนพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของความอาฆาตปัญาบา่าทึ่งเกิดขึ้นในสมัยเป็นเสริวะวานิธเทนั้นเองคือเกิดขาดผลประโยชน์กันด้วยถาด ท, ทองคำเพียงถาดเดียวเท่านั้น ในความอาฆาตพยาบาทความจองเบรมันก็สืบพบสืบชาติไปเรื่อยๆและในที่สุดบุคคลทั้งสองฝ่ายก็เข้าถึงที่สุดด้วยกันพูะเจ้าก็เข้าถึงที่สุดแห่งพระสัพพัญญุตยานเทวทัตก็ถึงที่สุดแห่งนรกอเวจีโดยกระแสะของอกุศลและกุศลซึ่งก่อตัวมาจากจุดเริ่มต้นไม่มาก คราวนี้ผสังเกตว่าการเบี่ยงเบนของจิตไปในสู่กระแสของอกุศลั้นที่จริงเริ่มครั้งแรกไม่ได้บ้าอะไรเป็นการเริ่มจุดที่มันผิดกันแล้วกันและต่อไปก็จะผิดเรื่อยไปทํานองค้ากระรถฉลับออกไปข้างทางครั้งแรกมันก็นิดเดียวแต่ในที่สุดดันเมื่อกุ่มไม่อยู่ก็จะตกถนนแล้วก็อาจจะถึงล้มตายไปเลยสภาพจิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้บุคคลได้ตรักถึงเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยวิธีการต่างๆเฉพาะนัยยะของกรณีนี้ได้ทรงแสดงธรรมะสำหรับปฏิบัติเพื่อบุคคลมีกำลังในการที่จะถอนตนขึ้นมาจากลมปอซึ่งตัวเองไปติดอยู่ไปถูกขังอยู่ไปสยบติดอยู่โดยสายการปฏิบัติธรรมะ 3ประการด้วยกันแต่มีตัวฐานใหญ่ก็เพียงสองประการโดยทรงใช้คำว่าอประมาณระตาโคตะเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาณสจิตตมรรคคาถะจงตามรักษาจิตของตนและจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนประยาโคจาสารถอนตนขึ้นมาจากลมค้นจากลมฉะนั้น ถอนตนขึ้นมาจากหลม่มแต่มีข้อแม้ว่าถอนให้พ้นแต่ยังไม่พ้นโอกาสที่จะตกไปในหลม่มมันก็มีได้ไง่ายเพราะในกรณีที่ถอนแล้วไม่พ้นเราจะพบว่าบางครั้งพฤติกรรมของบุคคลเรามีลักษณะสับสนคือขึ้นๆลงๆอาจจะเลิกสูบบุหรี่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็สูบต่อเลิกดื่มเหล้าได้ระยะหนึ่งแล้วก็ดืม่มต่อเลิกโกรธได้ระยะหนึ่งแล้วก็โกรธต่อเลิกโลภได้ระยะหนึ่งแล้วก็โลภต่อ ม, ม, ม, มีพฤติกรรมที่ขึ้นขึ้นลงตำนวนมาลีทันใช้คำว่าอุจจาระจังคือขึ้นบั่งลงบ้างก็แล้วแต่อารมณ์ที่คนไทยโบราณทันใช้คำว่าศรัท ธ, ธาโวตเต๋อคือโผล่โผลโผล่ไปเรื่อยๆทำเหตุตามปัจจัยบางทีก็โผล่มาบางทีก็ปล่ายไปบางทีก็ต้องมั่นในทานในศีลในภาวนานดีบางทีก็หายไปเลยนั่นก็คือลักษณะที่ยังไม่พ้นจากลม หรืบางครั้งที่ส่งอุปมาเหมือนคนตกลงในในกระแสน้ําอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังแต่อย่างนั้นโดยเนื้อหาแล้วมุ่งที่จะสะท้อนธรรมะออกมาเป็นรูปธรรมให้บุคคลมองเห็นจากช้างซึ่งถอนตนขึ้นมาจากลมด้วยความเพียนปัญยาของตัวเองแต่ต้องให้พ้นจากลมคือไม่จะถอนตนขึ้นมาได้แล้วก็เหยียบลมเังสองขาอสองขายัางอยู่ในลมมันก็ตกลงไปได้เองง่าย ธรรมปฏิบัติที่เป็นตัวเสริมเฉพาะในที่นี้แม้จะทรงแสดงไว้เพียงสองข้อวพาจงเป็นผู้ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นที่จริงเป็นคำรวมในธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดงเอาไว้คือกลุ่มธรรมปฏิบัติว่ามีความไม่ประมาทเป็นมูลมารวมลงที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหลาย เหมือนกระโหลเท้าของสัตว์ต่างหลายในโลกนี้มันจะใหญ่จะโตยังไงในสุดก็ปิดรอยเท้าช้างไม่มิดรอยเท้าช้างจึงชื่อว่าใหญ่กว่ารอยเท้าแห่งสัตว์ต่างหลายหรือเป็นที่รวมรงของรอยเท้าแห่งสัตว์ท่างหลายความประมาทก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความไม่ประมาทก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหลายบางครั้งก็พูดนิดเดียวอย่างเงี้ยจงอย่าเป็นคนประมาทหรือพุทธญาประมาท หรือบางครั้งส่งแสดงให้เห็นว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางของความตายความประมาทเป็นทางไม่ตายคนไม่คนประมาทแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วแต่คนที่ไม่ประมาทนั้นแม้ตายแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่คือจะอยู่หรือจะตายก็เหมือนกับอยู่คนประมาทนั้นจะอยู่หรือจะตายก็คือตายความไม่ประมาตที่ทรงเน้นไว้มากและออกจะปรากฏมากในพื้นจิตของบุคคล ในสากรละพิภพนั้นก็คือความประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคโดยเฉพาะเป็นผลรวมก็คือประมาทในชีวิตโดยไม่ได้ค่อยคิดในรอกอไม่ได้มองถึงสัจจะของชีวิตเพราะที่จริงแล้วชีวิตนั้นเป็นเรื่องของขณะแต่ละขณะที่ต่อเนื่องกันได้ขนาดไหนแต่ต่อเนื่องกันได้ในนานชีวิตเราก็ดํารงอยู่ได้นั้น แต่วาจะนานเท่าไหร่ก็ตามในที่สุดก็จะต้องตายด้วยความชราเพราะจุดจุดแตกดับของชีวิตเราจึงรู้แน่ชัดว่าถ้าไม่มีอะไรก็ต้องตายเพราะชะราแต่ก่อนจะถึงชรานั้นที่จริงคนก็ตายกันอยู่รดๆแต่กาคนได้คิดได้พินิษ์พิจนารณาแล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่เป็นของเราจริงๆนั้นก็คือเวลาปัจจุบัน เวลาที่เป็นอดีตแกก็พ้นไปแล้วแกดับไปแล้วแกก็ตายไปแล้วดีก็เท่านั้นแหละไม่ดีก็เท่านั้นแหละเวลาในอนาคตหรือไม่รู้จะมาถึงหรือไม่มาเรือจะมีชีวิตยอยู่ถึงวันนั้นหรือไม่มันก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะเวลาของเราจริงๆที่จะใช้ไปอย่างไรใช้ทำอะไรใช้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไกลเราก็อยู่ที่ตัวปัจจุบันตบุคคลใช้การปัจจุบันได้ดี เม่ย้อนรำลึกถึงอดีตก็เป็นอดีตที่ควรแก่การย้อนรำลึกเป็นอนุสติเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความปีติประโภตบางคือ ข, ขึ้นในชีวิตของตนเพราะท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าธรรมปฏิบัติบางประการเราเห็นได้ชัดว่าเป็นเอาความดีที่เราทําในปัจจุบันจะบรรลงการผ่านเวลาไปแล้วก็นำมาลึกเพื่อเกิดความปีติประโมตเช่นในเรื่องของทาน สงใช้คำว่าอปราระเจตนาคือเจตนาที่หลังจากให้ทานไปแล้วเมื่อความมาย้อนระลึกวนระลึกเหนียวนึกขึ้นมาแล้วเกิดปีติปราโมทขึ้นภายในใจมัก็เป็นความสุขใจที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นๆหรือบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องของพวกอนุสติเช่นสีลานุสติเราลึกถึงศีลของเราคือศีลที่เรารักษามาในวันก่อนๆหรือในชั่วโมงก่อน ด้วยแรงแห่นความไปสุดหมดจดในศีลก็เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาภายในใจและสามารถที่จะเจริดวิปัสสนาบรรุมคผลไปได้หรือพวกจาคานุสติการย้อนระลึกถึงความการเสียสละการบริจาคของตนที่ได้กระทํามาแล้วแล้วก็เกิดปีติปราโมทย์เป็นต้นนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราเคยทําในปัจจุบันเพราะเราทํากับอดีตไม่ได้ แต่เมื่อเราทําปัจจุบันดีประสิ่งเหล่านั้นร่วงการผ่านเวลาไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่เหนียวนึกมาได้ถึยความภาคภูมิเป็นความดีที่เรียกว่าไม่มีความเดือดร้อนใจส่วนอนาคตก็จะกลายเป็นความหวังใหม่ที่จะไม่มาก็าแล้วไปถ้ามาเราก็จะใช้เกิดประโยชน์ตกลงว่าค่าของชีวิตของบุคคลก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนความตายจะมาถึงเมื่อไรนั้นก็คือเรื่องของความตาย เราก็ไปแก้ไขอะไร ต, ต, ตัวตัวตัวความตายไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าใช้การในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ให้มากอีกอย่างหนึ่งก็คือประมาทในวัยคือถือวัยต่างๆซึ่งเป็นกลายเป็นคตินิยมที่ที่แปลกก็คือว่าปักใจฝังใจอยู่มาได้ตลับ เ, เป็นแนวคตินิยมแบบพรามพรามก็แบ่งไวเป็นไวไวเป็นสี่ช่วงเลยกัน ช่วงแรกก็คือศึกษาเรียนช่วงที่สองก็คือการทํางานเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้สร้างฐานะสร้างส ก, กุลไปเลี้ยงดูครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขช่วงที่สาก็เป็นช่วงของการจ่ายิกสแสวงบุญช่วงที่สี่ก็เป็นช่วงเป็นเพียรทางกิจอย่างจริงจั ง, จ, ง, จ, งจนสละเคหสถานบ้านช่องออกไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นต้นซึ่งเราจะเห็นว่าแม้จะมีลักษณะเป็น ธรรมะอยู่แต่ก็เป็นการดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความประมาทเพราะถาแบ่งกันเป็นสามช่วงเช่นนั้นชีวิตช่วงแรกคือ50สปีแรกเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็มีแต่ศึกษาแล้วเรียนกับประกอบสมาชีพหรือประกอบอาชีพซึ่งอาจจะสัมมาชีพก็ได้วิชนอาชีพก็ได้แล้วยกยอดไปทําบุญเมื่ออายุเลยกลางคนไปแล้วก็ถ้าอยู่ได้ถึงตรงนั้นมันก็ดีไปแต่อยู่ไม่ได้ล่ะ อะไระก็จะเกิดขึด้นเพราะการความคิดในลักษณะ น, นี้ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเราเช่นค่อยๆวัดความทำจำศีลเวลาไม่มีแรงจะทําบาปซะก่อนจะตอนแก่ซะก่อนจะมีความประมาทในวัยประการนี้แต่ลักษณะเหล่านี้ก็มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเป็นธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่งที่อยู่ด้วยความประมาทดังนั้นแล้ว ความไม่ประมาทความประมาทในความไม่มีโรคจนขาดการตรวจสอบดูแลสุขภาพร่างกายการตรวจเช็คร่างกายเป็นต้นแต่อย่างนั้นเพ็่สังเกตว่ามีอยู่ในบุคคลทั้งหลายในสมัยพุทธกาลคนก็เป็นอย่างนั้นหละในสมัยต่อๆมาคนส่วนใหญ่ก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละปัจจุบันก็เป็นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าประมาท ทั้งในชีวิตทั้งในวัยทั้งในความไม่มีโรคแล้วในตัวชีวิตที่เรายังมีอยู่นั้นก็ทรงสอนให้บุคคลไม่ประมาทในการที่จะลดละบันเทาความรุนแรงแห่งทุจริตทั้งหลายโดยโครงสร้างในการรับพปฏิบัตินั้นทรงใช้คําอยู่สประโยคก็ใช้ยอย่างนี้ทุกทีว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการที่จะละกายทุจริตประพฤติกายสุจริต ละวจีตรจิตประพฤติวจิสุจริตละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกเพราะตัวการใหญ่จะเห็นว่าอยู่ที่การละความเห็นผิดมาทำความเห็นให้ถูกต้องเพราะทางดำเนินของชีวิตสำหรับบุคคลทั้งหลายในโลกนั้นมันมีอยู่สองทางแต่นั้นเองแต่เราพูดเป็นภาษาธรรมะหน่อยพูดเป็นหลักการปฏิบัติที่ต่อเนื่องยาวนานจนถึง อนุมักผลเป็นพระราหรันโดยตกนรกหมกไหม้ไปเลยเนี่ยมันก็มีอยู่สองทางในจุดเริ่มต้นในสายที่ไปสู่ความเป็นพระราหันก็คือเริ่มที่สมาธิบัญดาในชอบถ้าไปสู่นรกรเวจีเป็นต้นนะก็คือเริ่มที่ความเห็นผิดจะแนวความคิดของพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์ที่คู่ขนานกันมาในสังสารวัตรดังกล่าวแล้ว เราจะเห็นว่าแม้จะอยู่ใกล้กันแต่ว่าก็อยู่ไกลกันพระเทวทัตนั้นเดินสู่กระแสะของอกุศลอย่างต่อเนื่องยาวนานพระโพธสัตว์ก็เดินสู่กระแสะของกุศลอย่างต่อเนื่องยาวนา น, นตั้งคนตั้งกสสะสมในสายของตัวเองแล้วพาถึงจุดสุดท้ายก็เต็มด้วยกันพระพโทธสัตว์นั้นบารมีเต็มเทวทัตความชั่วเต็ม แล้วในสุดทั้งสองขวายขวาก็แสดงออกมาโดยการแยกกันอย่างเด็ดขาดแล้วไม่มีโอกาสจะบรรจบกันได้อีกต่อไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่นิพพานไปแล้ววระเทวทัตก็ไปอยู่ในเวจีมานรกไปแล้วนั่นคือกระแสธรรมที่สองกระแสที่จริงเราอาจจะเริ่มกับจากบาปจากบุญก็ได้จากกุศลจากอกุศลก็ได้จากความเสื่อมความเจริญก็ได้จากสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้มันคือสายเดียวกัน เป็นการความแตกต่างเฉพาะสมบูรณวหารในการสื่อความหมายแก่ผู้ฟังในที่นั้นๆเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเราเริ่มที่สมาธิฐิได้การละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตละปจีทุจริตประพฤติปจิสุจริตละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตก็จะเกิดขึ้นเองด้วยอาศัยความไม่ประมาทของบุคคลเหล่านั้นที่กํากับไว้ด้วยความเห็นในทางที่ชอบทำแต่ถ้าเป็นไิ่ชาทิฏฐิไปแล้ว มันเรียกลายเป็นการเพิ่มในฝ่ายที่ส่งสอนให้ละและการไปละในในส่วนที่ส่งสอนให้เพิ่มแล้วเกิดผิดขวาผิดตัวหรือสวนทางกับคําสอนของพระพุทธเจ้าคือไปเพิ่มกา ย, ยทุจริตวิจิรทุตจิตปโนทุจริตแล้วก็ความเห็นผิดขึ้นเพราะในสุจริตทางกายทางความใจก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วความไม่ประมาทในลักษณะนี้ได้สอนเน้นไปในขณะของความคิดเพราะดังได้กล่าวมาแล้วว่าเอาก็จริงแล้วชีวิตเรามันก็อยู่ที่ ที่แต่ละขณะดเราจริญกรรมาฐานสายนาปาณสติมานีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าชีวิตเรานั้นอยู่ด้วยขณะเอาขณะยาวๆในลมหายใจเข้าออกแต่อย่างนั้นที่จริงก็เหมือนกับแขวนบนเส้นได้หายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าตายด้วยกันทั้งคู่เลยซึ่งก็หมายความว่าโอกาสอย่างนี้มันเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้ อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติกรรมฐ า, านก็ได้กินอาหารอยู่ก็ได้แล้วก็เคยเกิดแก่บุคคลทั้งหลายแม้จะไม่เคยเกิดแก่เราก็ตามแต่เคยเกิดแก่บุคคลดอกอื่นซึ่งสแสดงถึงความเป็นอยู่โดยขณะแห่งชีวิตทั้งหลายเพื่อเมื่อชีวิตเป็นขณะทําไงถึงใช้ขณะให้ดีเพราะน้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอีกชุดหนึ่งที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติในแต่ละขณะของจิตโดยการระมัดระวังจิต ย้ายกำหนัดย้า้ขัดเคืองอย้ายรูปหลงย้ายมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมวงัมวเมาซึ่งหมายความว่าจิตนั้นต้องคิดอารมณ์ที่มีลักษณะซึ่งไม่ก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมวงัมวเมาในแต่ละขณะไอแต่ละขณะก็ทํานองคล้ายๆกับน้ําหยดลงลงในภาชนะมันก็หยดลงน้ำใสเรื่อยๆแม้จะทีละหยด แต่ไม่นานเท่าไหร่น้ําก็น้ําใสก็จะเต็มภาชนะเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะงั้นโดยวิธีนี้บางครั้งก็ส่งสอนอีกรูปหนึ่งซึ่งง่ายกว่าการปฏิบัติในลนักษณะนี้เพราะถ้าบุคคลจะทําบุญให้ทําบุญนั้นบ่อยๆพึงสั่งสมพึ่งทําความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญเอาไว้จะนําความสุขมาให้และวบางทีก็จะต่อไปพ่าทางโลกนี้และในโลกอื่น บุญย่อมเป็นที่สัตว์เป็นที่พึ่งของสัตว์ทางหลายผู้บ ำ, บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเป็นตน้นทีการปฏิบัติโดยความไม่ประมาทนั้นที่จริงก็คือสจจิตตะมรรคคตาคือตามรักษาจิตของตนโดยในยะนี้ก็คือการตามรักษาจิตของตนดูจิตของตนที่มีอารมณ์ก็มาปรุงแต่งว่าเป็นกุศลหรืออกุศล ถ้ามีเข่าว่าจะเป็นการเพิ่มความกำนัดขึ้นมาเพิ่มความกัดเคืองขึ้นมาเพิ่มความรบ่ลงขึ้นมาเพิ่มความบ่มบ อ, อขึ้นมาแนวหนึ่งก็คือป้องกันไว้แนวหนึ่งก็คือละไปหมายความว่าถ้ายังไม่เกิดก็ป้องกันให้เกิดถ้าเกิดแล้วก็พยายามละไปทีนี้จิตเรานั้นไม่ได้ถูกปรุงด้วยอกุศลหรือกิเลสเสมอไปบางครั้งก็ถูกปรุงด้วยกุศล เพราะเจตสิกธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตนั้นมีทั้ง3ามอย่างคือดีไม่ดีแล้วก็กลางๆซึ่งผู้ปฏิบัติสามารถสังเกตดูสภาพจิตของตัวเองได้ว่าจิตเราเขาก็มีลักษณะอยู่สามอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีดีกับไม่ดีตัวกลางๆมองไม่ค่อยชัดสำหรับคนทั่วไปคล้ายๆกับเวทนาทั้งหลายนี่สุขทุกข์นั้นออกจะเด่นแต่ว่าอทุกขกับมรรคนั้นมองได้ยากเพราะมันมันพอมองก็จริงแล้วมันจะเจอสุขหรือทุกข์อยู่เสมอไป ตอเมื่อใดจิตใจของบุคคลมีความประนีตขึ้นสามารถจำแนกแยกแยะได้ชัดเจ น, ข, นขึ้นก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตนั้นจะถูกปรุงด้วยสิ่งที่เรียกว่ากุศลอกุศลและสิ่งที่เป็นกลางกลาเพราะงั้นก็ตามรักษาจิตของตนในกรณีที่กุศลเกิดขึ้นก็รักษากุศลเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็พยายามเพิ่มปูนใน้มากริงขึ้น โดยมีกําลังมากพอในระดับที่จะถอนตนขึ้นมาจากหล่มได้ในระดับในระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าหล่มนั้นบางทีก็สอนหล่มทั่วๆไปเช่นหล่มบอ่อเกลือใบายามุก <S <S ก็มีลักษณะของกามคือความใคร่ใบายามุกก็เกิดขึ้นมาจากความใคร่ใคดื่มใคร่เล่นใคร่เที่ยวใคร่สนุกสนานต่างๆจะมีโมห oh ะอยู่มากภายในใจของบุคคลก็สรงสอนให้ถอนขึ้นมาเรื่อยๆตามกําลังความสามารถของบุคคลแต่ละคน จึงจะปฏิบัติได้โดยอาศัยพื้นฐานสาคัญก็คือความไม่ประมาทที่มีความละเมยดละวังจนถึงขั้นตามรัาจิตของตนในแต่ละขณะได้ธรรมะปฏิบัติโดยนยยะนี้ย่อมอำนวยผลแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันไปทานองเดียวกัน ร, รับประทานอาหารการอาบน้ำโดยนยิยติกรารแล้วตอนต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้ความสงบสืขกลัไป